อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นํารายการธรรมาราปรรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทั้งบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นประจําทุกเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าคร่งค่ะเราเออกอากาศพร้อมกันนะคะในระบบเอเอ็มและ FM สําหรับ FM นั้นก็คลื่น 92.5 MHz ค่ะส่วน AM ก็8 9 1ร h z นะคะแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของเราก็าสัญญาต์ก็จะ รับสัญญาณรายการธรรมารับปรุณจากศูนย์กลางด้วยดังนั้นก็ถือเป็นรายการธรรมะที่จะนํำสิ่งที่ดีและเป็นมงคลให้ทุกผู้ฟังได้รับฟังรับทราบเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะก็ครอบคลุมเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนค่ะเสาร์ที่3กันยายนปี2554นะคะ วันนี้เป็นวันขึ้นห่ข้ามเดือน1ิปีเถาะนะคะก็เมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นท่านที่เป็นแฟนรายการรายการธรรมรบรุนก็คงจะทราบกันละค่ะว่าดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะได้สนทนาธรรมหรือที่เราเรียกภาษาบาลีว่าสากฉากับพระอาจารย์ภบูลอภิพุนโนค่ะ ท่านเป็นสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่ดอดรสะอาดทิตโภพโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานแล้วก็เราพบกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของอระยะของการเข้าพรรษาดังนั้นก็พระอาจารย์ไบบูลอภิปุโนท่านก็เมตตาที่จะนาพระคถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ แล้วก็เป็นพระคถาที่จะตื่นสติพวกเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยมานําเสมอในช่วงของอวันเข้าพรรษานี้นะคะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภพพิบุญโนโพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารยาา์เจ้าขาอาจารย์บอลสาธุจุ๊ค่ะในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนนี้นะคะพระอาจารย์จะหยิบยกพระคถาใดมาตื่นสติท่านผู้ฟังทางบ้านกันเจ้าขาขออภิมนเลยเจ้าค่ะ ก็คือก่อนที่จะพูดถึงคาถาที่พู้เช่าได้เคยแสดงไว้อ้มีเป็นร้อยเป็นพันคาถาโน่นน่ะก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงครึ่งพรรษาแล้วแลวเราเลยครึ่งพรรษามาแล้วก็อีกประมาณเดือนกว่ากว่าหรือไม่ถึงเดือนครึ่งดีนะก็จะหมดพรรษาออกพรรษาซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านใดในพรรษาเนี่ยบางท่านก็จะตั้งความเพียรในรูปแบบใดๆอย่างเช่นบางคนก็เลือกดื่มเล่าบ้างใช่ไหม บางคนก็จะทําตั้งใจว่าจะสวดมนต์ภาวนาไปวัดทําสมาธิอะไรต่าง ๆ, ๆก็ขอให้ทําต่อไปนันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่วันนี้จึงเป็นเจนะเจ้จจจาคะเออใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเจ้าค่ะ อ, อบางท่านก็อย่างอย่างวัดป่าด่อไหนสศกเนี่ยนะก็จะมีพวกชาวบ้าน่ะที่เขาในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยบรรพระเขาจะมาที่วัดามาถือศีล น, นั่งสมาธิฟังเทศหลวงพ่อท่านก็จะได้ให้ฟังทุกๆวันพระ แล้วก็ยังจะมีการพัฒนาวัดแล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆด้วยซึ่งก็จะมีเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้เหมือนกัน้วันนี้จึงจะได้ฟังเกี่ยวกับคถาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไวา้คือพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดอยู่อีกที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์เนี้ยเป็นเกิดขึ้นระหว่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะซึ่งตอนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญ นจคือวันเพนเนี่ยพระสงฆ์เราก็จะต้องโกนผม <Okay. S 1> ใช่ไหมทุกทุกวันทุกวันเพนแล้วก็พอพอโกนผมเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นคืนวันเพนใช่ไหมท่านพระสารีบุตรก็นั่งเข้าสมาธิอยู่ณนะที่กลางแจ้งแห่งหนึ่งตอนนั้นเป็นกลางคืนละระหว่างที่นั่งเข้าสมาธิอยู่เนี่ยในคืนเดือนงายใช่ไหมแหมก็คือเพิ่งโกนผมมาใหม่ๆอะ่ะแล้วก็ผมนี่ก็สะท้อนกับแสงจันทร์อย่างเต็มที่เลยหัว <Okay. S 1> แล้วในขณะนั้นเนี่ยก็มียักษ์อยู่2ตนเป็นยักษ์นะยักษ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือ น, นเทวดาอยู่ในชั้นจตุมาราชิกาเป็นเทวดาชั้นแรกแล้วก็กําลังเดินทางมาจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ด้วยภารกิจบางอย่างยักษ์สตนนี้เป็นสหายกันเพิ่งได้ตะบองมาใหม่ๆตะบองของยักษ์นะ <c oughs> อันนี้เป็นผู้วจนะนะพระพุทธเจ้าอธิบายว่าได้ตะบองมาใหม่ๆยักษตนที่1เนี่ย ก็ต้องการจะทดสอบตะบองของตัวเองเนี่ยคือกระบองของตัวเองเนี่ยนะกับสมณะผู้นี้แหมเห็นหัวแต่งดีเหลือเกินขอซัตสทีหนึ่ง ย, นะ <c oughs> ยังไงยักตัวที่สองเบอกอื้ม <c oughs> ไม่ได้นี่เป็นสมณะในพุทธศาสนานะโอ้หมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอะไรต่างๆอย่าไปยุ่งกับท่านเลยว่างั้นอ่ายักตัวที่หนึ่งอื้ม <c oughs> ไม่ได้แหมตะบองนี้อย่างดีจะขอสัตสทีหนึ่งว่างนั้น <c oughs> คุยกันถึงสามรอบนะยักต้นแรกก็ไม่ยอมจะซัดให้ได้ ก็เลยเลยลงไปนะคือเหาะมาเนี่ยเราก็ลงไปอยู่ยืนอยู่ข้างๆท่านภาษาริบุตรซึ่งกํำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่ซึ่งอัตถคถาตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นสมาธิชั้นลึกสุดนะคือนิโรธสมาบัติด้วยใช่ไหมนในขณะที่ยักษ์ตัวที่หนึ่งพอลงมาจอดอยู่ที่พื้นดินแล้วเนี่ยก็เงื้อตะบองขึ้นอย่างเต็มที่เลยคุณเตือนใจเงื้อตะบองขึ้นอย่างเต็มที่เลยแล้วก็จะตีลงไปที่หัวของท่านภาษาริบุตร เน่งเน่งเนี่ย น, น, นะตีลงมาตุ้มเลยเนี่ย อ, อปรากฏว่าในขณนะนั้นเนี่ยท่านพระโมคคัลนะก็เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ท่านพระโมคคัลนะเนี่ยกเ็เห็นเหตุการณ์นั้นก็ตกใจมากเลยโอ้โหยักษ์นี่จะมาตีหัวท่านพระสัจดบุตรไม่รอดแน่นอนนะปรากฏว่าพอยักษ์ตทีท่านพระสัจดิบุตรลงไปเนี่ยนะ<ช>ปรากฏว่าท่านพระสัจดิบุตรเนี่ยไม่เป็นอะไรนะซึ่งกําลังของยักษ์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยนะ ปกติสามารถที่จ ะ, ะตีช้างเนี่ยที่สูงประมาณ14ฟุตเนี่ยให้จมดินไปได้ไนด้วยการตีครั้งเดียวหรือว่าตีภูเขาใหญ่ๆเนี่ยให้แตกเป็นเศษหินเศษดินไปเลย mm hmm. นะแต่ว่าพอมาตีท่าน菩萨ดิบุตรเนี่ยท่าน菩าริบุตรไม่สะเทือนเลย mm hmm. นะซึ่งอพอช้างที่มันสูงประมาณ14ฟุตนี่ก็คงประมาณสัก4เมตรไหม4เ mm hmm. มตรนี่ก็เท่ากับตึก2ชั้นนะ อยักษ์ทั้งตัวเนี่ยแบนจมดินไปได้เลยด้วยการตีเพียงครั้งเดียวนะแต่ปรากฏว่าท่านปสาริบุตรไม่เป็นอะไรอพอท่านพระโมคคารนะเห็นอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าท่านพระโมคคานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ใช่ไหมจึงสามารถเห็นพวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นกายทิพย์ได้ก็บอกว่าโอ้โหน่าอัศาจรรย์จริงๆที่ท่านพระสาริบุตรนี้สามารถอดทนการตีขนาดนี้ได้นะซึ่ง เ, เลยถามท่าน พระสารีบุตรว่าโอ้ท่านพระสารีบุตรรู้สึกยังไงนะท่านพระสารีบุตรก็รู้สึกบอกว่าเอ๊ะคัดรู้สึกคันคันหัวนิดหน่อยเท่านั้นเอง <c oughs> นะซึ่งว่าตอนตอนโดนตีใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ตอนโดนตีเนี่ยรู้สึกคันคันหัวซะหน่อยเท่านั้นเอง <c oughs> ซึ่งท่านพระโมคคัลลานะก็ยกย่องท่านพระสารีบุตรอย่างมากเลยว่าโอ้โหเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากจริงๆนะมีอนุภาพมากจริงๆยกย่องซึ่งยกย่องท่านพระสารีบุตรว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนมาก นะซึ่งในขณะเดียวกันท่านภาษาริบุตรเนี่ยก็ยกย่องท่านพระโมคคัลลาน้บอกว่าโอ้ท่านพระโมคคัลลาน้นี่มีอิทธิฤทธิ์มากจริงๆเพราะว่ายังสามารถเห็นยักษ์นะที่มาตีหัวของตนได้ซึ่งตัวเองไม่เห็นนะนะคือท่านภาษาริบุตรเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฤทธิ์ก็จึงไม่เห็นพวกยักษ์ที่เป็นไกายทิพย์นะนะก็เลยยกย่องท่านภาษาท่านพระโมคคัลลาน้บอกว่าโอ้ยังสามารถเห็นยักษ์ได้ซึ่งตัวเองเนี่ยคือท่านภาษาริบุตรเนี่ยแม้แม้คณะปีศาจซัดฝุ่น นะคือพิาะต์อย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลย <Okay. S 1> ซึ่งในบทสนทนานี้เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่เขาเล่ากันว่ายักษ์ตนที่มาตีหัวท่านพระสารีบุตรในขณะที่กำลังเข้านิโรสมาบัติอยู่เนี่ยนะ <Okay. S 1> ก็ปรากฏว่าถูกธรณีสูบนะ mm. ตกนรกไปทันทีเลยเ <Okay. S 1> พราะว่าเป็นกรรมที่หนักมากนะกรรมที่หนักมากแล้วก็อพอโุนธรณีสูขไปก็คือไม่รอดเลย แล้วก็การการยกย่องซึ่งกันและกันของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระหมาโมคลานะในตอนนั้นเนี่ยท่านสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อยู่อีกที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งเนี่ยก็ทราบเหตุการณ์นี้ด้วยตาทิพย์ของพระองค์ใช่ไหมก็เลยได้เปล่งอุทานเป็นคาถานี้ออกมานะบอกว่าจิตของผู้ใดเปรียบด้วยภูเขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กําหนัด ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่กรธเกรียงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเกรียงจิตของผู้ใดอบรมแล้วอย่างนี้ทุกจากถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนเล่าอย่างนี้เจ้าซึ่งถ้าเรามาดูเหมือนกับภูเขาหินนะคุณเตือนใจเวลาภูเขาหินเนี่ยมันโดนฝนโดนโลมโดนสิ่งมากระทบเนี่ยมันก็ยังเปียกใช่ไหมแต่ว่าไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างเวลาที่เรากระทบอารมณ์ อาจจะเป็นคนมาด่าเราคนมาว่าเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกแบบว่าได้ยินอนะ่ะมันอาจจะไม่พอใจบ้างมีเคืองใจบ้างแต่เราก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปตามการกระทบของเขา <Okay. S 1> นะผู้ที่เป็นอย่างนี้ผู้เช่าก็บอกว่าจิตเนี่ยได้รับการอบรมละจิตที่อบรมอย่างนี้เนี่ยก็จะมีทุกน้อยในะบางทีเราอาจจะเห็นคนบางคนเนี่ยถูกว่าแม้นิดเดียวเนี่ยโอ้โหก็กรธเป็นฟืนเป็นไฟเ <Yeah. S 1> นะ okay, าะเอาแค่ว่าเด็กเล็ ก, ลกๆบางคนเนี่ย อยากจะกินขนมแต่ไม่ได้กินขนมเนี่ยลงไปกลิ้งกับพื้นก็มีนะธรรมะเขาเคยเห็นซึ่งโอ้โหก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งเป็นลักษณะของอแผลกลัดหนองพระเจ้าเคยอธิบาย <Okay. S 2> ซึ่งแผลกัดหนองเนี่ยถ้าใครเคยเป็นเนี่ยจะพบว่าโดนนิดเดียวเนี่ยมันก็เจ็บปวดแสบแ ล, แล้วก็พระเจ้าอธิบายว่าแผลกลัดหนองเนี่ยโดนเศษกระเบื้องนิดเดียวนะก็เจ็บมากเจ็บก็เจ็บมากแล้วก็ยังมีน้ําหนองเนี่ยออกเกินประมาณก็เปรียบเทียบกับคนที่ เป็นคนมักโกรธขี้โกรธพูดนิดเดียวก็โกรธทำอะไรนิดเดียวก็โกรธซึ่งแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยไม่ได้รับการฝึกพอจิตไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยก็ยังจะต้องมีทุกข์มากอะ่ะเป็นผู้เจ้าทุกข์เดี๋ยวนี่ก็ทุกข์นั่นทุกข์โน่นคนทุกข์มากอย่างนี้นะคุณตือนใจบาปกรรมแม้ประมานน้อยก็จะให้ผลมากอทํอา ก, กรรมอย่างสมมุติสองคนนะคนในใ น, ในแดงเอาเอ า, เอาใขาวล้กันในขาวกับใน นายขาวกับนายอะไรดีนายขาก็นายดำเอานายขาวกับนายดำเนี่ยนายขาวก็เป็นคนใจใหญ่ใจสูงใจเขาเรียกว่าใจดีในส่วนนายดำเนี่ยเป็นคนใจใจแคบแคบเป็นคนเจ้าทุกอ่ะถ้านายดำอาจจะตบยุงสัก3าตัวนายขาวก็ตบยุง3าตัวซึ่งเป็นบาปกรรมเล็กน้อยมากนะแต่ว่าบาปกรรมที่ทําน้อยๆอย่างเนี้ยของนายขาวอาจจะไม่ให้ผลเลยหรือให้ผลน้อยมากนะแต่สําหรับนายดําอาจจะให้ผลมาก ถึงกับพาไปกําเหตุใ น, นรกกําเนเิหตรในสารเปรตวิสัยได้ mm hmm. เพราะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีบุญน้อยเป็นคนเจ้าทุกขนะ์ซึ่งพระพุทธาเคยเปรียบเทียบ เ, เ, เ, เหมือนกับเอาเกลือมาสักก้อนหนึ่งคุณเตือนใจเอามาผสมกับในน้ําแก้วหนึ่งนะถ้าลองชิมดูเนี่ยเราจะพบว่าน้ําในแก้วนั้นเค็มไม่น่าดื่ม mm hmm. แต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเดียวกันเนี่ยไปผสมในแม่น้ําเจ้าพยาเอาหรือแม่น้ำโขงก็ได้ น้ำในแม่น้ําจ้าพญาหรือแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่เค็มจะเป็นน้ําแบบสบายสบายอยู่นะเพราะว่าปริมาณของเกลือที่มันน้อยมากลักษณะนี้ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับถ้าเราเป็นคนเจ้าทุกเนี่ยทำกรรมนิดเดียวนะทำบาปกรรมนิดเดียวเนี่ยโอ้ได้รับผลมา ก, กนะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้จะแก้ไขทํำยังไงก็ให้แก้ด้วยลักษณะของคำสองพุทธเจ้าก็คือให้ดําเนินตามอริมักมีวงแปดให้มากๆ เป็นการสร้างบุญให้ตัวเองอ่ะพอเรามีบุญมากขึ้นมากขึ้นใช่ปะก็จะเหมือนกับปริมาณน้ําที่มันมีมากขึ้นเนี่ยเวลาอะไรน้ําเกลือมาผสมเนี่ยมันก็จะมีความเค็มน้อยเหมือนกันถ้าจิตของเรามีบุญมากใช่ไหมอะไรมากระทบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกระเทือนแนะลองถามดูสิบ้าถ้าอย่างเศรษฐีอย่างเงี้ยคนที่มีเงินสักหมื่นล้านอ่ะคนที่มีเงินสักหมื่นล้านเนี่ยเขาจะใช้จ่ายเงินสักพั0 0องพัเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยนะ อ <Okay. S 2> เป็นเงินที่น้อยมากพันสองพันเมื่อเทียบกับหมื่นล้านนะ่ะ <Okay. S 2> เอาไม่ต้องหมื่นล้านก็ได้เอาแค่ร้อยล้านก็เพอสมมติถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าสักร้อยล้านบาทนะอยู่ในธนาคารก็ได้ <Okay. S 2> จะควักมาใช้จ่ายซื้อนั่นกินนี่นี่สักพันสองพันไม่มีปัญหานะแต่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอที่แบบทำนาไม่มีเงินเดือนอย่างเงี้ยนะจะควักสี่ห้าร้อยอย่างยากเลยคุณเตือนใจ <Okay. S 2> เพราะว่าความที่เขามีเงินน้อยอืม เหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้สั่งสมบุญให้มากมากอย่าประมาทในการสร้างบุญน้อยก็เอามากก็เอาค่อยๆทำไปทำไปอย่างเงี้ยจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นจิตที่ชื่อว่าเป็นจิตที่ได้รับการฝึกแล้วแล้วก็จิตที่ฝึกแล้วอย่างนี้ก็จะไม่มีทุกข์มีทุกข์น้อยการฝึกจิตก็อย่างที่เราได้เคยพูดไปว่านั่งสมาธิก็ได้หรือว่าจะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ทั้งนั้นลักษณะนี้ จะนี้ยมขออนุญาตกล่าวเปลี่ยนถามพระอาจารย์พบูลนะเจ้าคะสําหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะว่าติดนิสัยนะเจ้าคะคือเป็นคนมักจะโกรธง่ายอืเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยเจ้าคะบางทีท่านเหล่านั้นอาจจะรู้ตัวนะเจ้าคะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็โมโหง่ายพูดภาษาวัยรุ่นก็คงบอกมีอะไรนิดนึงก็ปรีดเลยนะจีดง่ายจีดง่ายเจ้าค่ะแล้วก็ วาวอยอะไอยนี้นะเจ้าคะรวมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสกักฉามานี้นะเจ้าคะหรือว่าสนทนามานี้ท่านก็คงนึกในใจอยู่เจ้าคะ่ะว่าก็รู้ตัวนะเจ้าคะแต่พราะพอจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็มันติดอาจจะฝังรากึกมานานดังนั้นก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าได้ให้ชี้แนวทางนิดนึงเถอดเจ้าคะ่ะว่าสําหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรือว่าบุคคล หลายหลายคนนื่งอาจจะจากว่านิสัยเดิมนะเจ้าคะกับคันในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยท่านอาจจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้ <c oughs> ก็ทําให้เที่ยวไปจี๊ดอยู่เรื่อยๆนะเจ้าคะก็ <c oughs> อันนี้จะมีทางทํำยังไงให้มันผ่อนคลายได้มากขึ้นเจ้าคะ่ะนอกจาก<อ>สิ่งที่พระอาจารย์เมตตาชี้แจงมาแล้วว่าให้นั่งสมาธิหรือว่าหมั่นทําบุญให้ทานเนี่ยเจ้าคะ่ะอันนี้ฟังถูกรายการเลยแหละ เาการเรานี้เป็นแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ค, นะคือต้องเข้าใจเรื่องสภาวะของจิตนิดหนึ่งก่อนว่าเวลาจิตที่มันจะโกรธขึ้นมาเนี่ยนะ ค, คือโกรธนี่คือแบบด่าคนอื่นนะแล้วก็เอาเครื่องปาของ เ, อเจอใครก็กราดใส่หมดจิตขึ้นมาเลยระเบิดหน้าแดงเนี่ยคืออาการของคนที่โกรธ ค, คนที่กอ า, อาการของคนที่มีโทสะก่อนโทสะเนี่ยคือมีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มด่าคนอื่น ทำลายข้าวของนี่คือโทสะนี่คือลักษณะของการทำลายคนอื่นด้วยแต่ก่อนที่จะมีโทสะเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตของเราเนี่ยก่อนที่จะมีโทสะมันมีโกทักก่อนคือความโกรธความโกรธตรงนี้ยังไม่เป็นการทำลายคนอื่นแต่แบบเดือดขึ้นมาเฉยเฉยก่อนอยู่ในใจเราก่อนอ่าใช่เดือดอยู่ก่อนแต่ยังไม่คิดจะทำร้ายคนอื่นนะอย่างเช่นว่าเรามีบ้านมันจะต้องเรียบร้อยอย่างงี้นะปรากฏเห็นบ้านไม่เรียบร้อยอย่างนี้เราก็จะโกรธขึ้นมาวอุ้ยทำไม บาม่เรียบร้อยอฮ้ยอันนี้ทำไมมาอยู่ตรง น, นี้อันนั้นไปอยู่ตรงนี้นี่คือพาวสภาวะแรกมันจะเริ่มมีความโกรธขึ้นมาไม่พอใจโกรธไม่พอใจแล้วมันก็จะเริ่มหาแล้วว่าใครเป็นคนทำเฮ้ยใครมันเป็นคนทําอย่างนี้น่าจะเรียกคนนี้มาด่าซะหน่อยหรือคนใช้ทําไมไม่เก็บเลยน่าจะมีการพาดพิงไปถึงคนอื่นการพาดพิงไปถึงคนอื่นเนี่ยคือโทสะก่อนที่จะมาเป็นโทสะก็จะมีความโกรธก่อนคือความเดือดก่อนที่จะมีความเดือดเนี่ยมันจะมีความไม่พอใจความขัดเคืองเขาเรียกว่า ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปฏิฆะคือความขัดเคืองขัดเคืองเนี่ยมันก็เห็นอะไรมันก็เคืองอะ่ะขัดเคืองนี่มันเหมือนกับว่าเวลาเดินไปแล้วเดินสะดุดอย่างเงี้ยมันก็ถูกขัดขาขัดเคืองอย่างเงี้ยนะนี่คือความขัด ก, ก็เหมือนกับว่าฟังหูฟังตาไปหมดนะจ๊ะใช่ใ ช, ช, ช่แต่นี้ก่อนที่จะมีความขัดเคืองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่พอใจความไม่พอใจหรือว่าภาษาบาลีเขาใช้คําว่าอารตินะความไม่พอใจอย่างเช่นเรา เราก็จะต้องมีความพอใจอย่างนี้พอมีสิ่งที่ไม่ได้อย่างนั้นเราก็จะมีความไม่พอใจอย่างเช่นว่าปีนี้น่าจะได้โบนัสสัก3เดือนแต่ได้เดือนเดียวอา้าวไม่พอใจละแม่พอใจเนี่ยแล้วถึงจะค่อยพัฒนาถ้าคุณยังหยุดไม่ได้นะยังหยุดไม่ได้ยังไม่มีความอดทนคืออย่างอย่างคาถาที่เราพูดในวันนี้คือให้มีความอดทนใช่ไหมจิตของผู้ใดมีเปรียบเหมือนภูเขาหินนะอดทนในอารมณ์ต่างๆเนี่ก็จะ ถ้าคุณสามารถอดทนจากความไม่พอใจได้เนี่ยก็จะจบไปแค่นั้นแต่ถ้าอดทนไม่ได้ใช่ไหมความไม่พอใจจะพัฒนากลายมาเป็นความขัดเคืองถ้าขัดเคืองยังอดทนไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะพัฒนาขึ้นมากลายเป็นความเดือดคือความโกรธถ้าความโกรธยังอดทนไม่ได้ใช่ไหมยังหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะพัฒนามาเป็นโทสะมันจะเริ่มด่าคนอื่นละตรงนี้จะเริ่มออกมือออกไม้ปากขยับพอถ้ายังโกรธยัง มีโทสะแล้วเนี่ยยังหยุดไม่ได้นะมันจะพัฒนากลายมาเป็นพยาบาทจะปลุกใจเจ็บละวันนี้ฉันทําแกไม่ได้ขอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ขอเดือนหน้านะบอกลูกบอกหลานสอนไว้เลยว่าต้องทํามันอย่างนี้นะก็มีเออเออน่ะน่น่ะปียังต้องแกแบบแกนะ้แคร์นะเจ้าคะ่ออออนะ<笑><笑><笑>นี่คือลักษณะของความโกรธที่มันคือเป็นสายพัฒนากันขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีจะหยุดเขาได้เนี่ยเราต้องอดทนทีนี้จะอดทนได้เนี่ย ถามว่าเรารู้ตัวไมหมล่ะว่าเราจับความตรงนี้ได้ตอนไหนบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วนะคุณเนินใจเพิ่งจะมารู้ตัวโอ้ตายละฉันไม่น่าจะด่าลูกเลยลูกฉันแค่ทําแก้วแตกนิดเดียวตีมันจนเนื้อแตกโอ้รู้สึกเสียใจภายหลัง <Okay. S 1> นะั่นคือระเบิดตู้มไปแล้วนี่ก็คือโกรธไปแล้วมีโทสะเรียบร้อยแล้วนนั้นทุกอย่างถูกทำลายหมดแล้วเพิ่งมารู้ตัวเอาบางคนดีขึ้นมาหน่อยนะดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่า ยังมารู้ตัวตอนที่ตัวเองมีความเดือดใช่ไหมมีความโกโรธแต่ยังปากยังไม่ขยับมือยังไม่ขยับอย่างเงี้ยนะก็พอมารู้ตัวก็สามารถอดทนได้บางคนดีขึ้นกว่านั้นมารู้ตัวตอนที่มีความขัดเคืองยังไม่เป็นความเดือดมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตอย่างเงี้ยเรารีบหยุดรีบให้จิตของเราเนี่ยมีความอดทนมีสติเนี่ยบางคนดีขึ้นไปกว่านั้นอีกสามารถหยุดได้ตั้งแต่ตอนที่มีความไม่พอใจ ทีนี้การใจอยู่นะเจ้าคะ่ะยังไม่ออกมาใช่ทีนี้ว่าคนที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยจะอดทนตรงนี้ได้คุณต้องมีสติบางคนเนี่ยอจะต้องสามารถรู้ตัวตัวเองเนะว่าเรามีความไม่พอใจละเกิดขึ้นบางคนนี้ไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองไม่มีความมีความไม่พอใจเพิ่งมารู้ตัวอย่างเช่นตอนที่โกรธแล้วนะเริ่มหูแดงหน้าแดงนะคิ้วขมวดละเพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวฉันโกรธนะแต่ซึ่งก่อนนั้นนั้นยังมีความ ขัดเคืองอยู่ในใจเห็นไห้ยังมีความไม่พอใจอยู่ในใจเห็นไหมนะ <Okay. S 1> ซึ่งคนที่จะเห็นตรงนี้ได้คุณต้องมีสตนะินี่คือวิธีการที่1น่งนี่คือวิธีการที่1น่ง <Okay. S 1> วิธีการที่1ตรงนี้ก็คือว่าคุณมีสติในการที่จะพัฒนาจิตให้เรามีความอดทนในตั้งแต่ขั้นตน้ตนๆซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเคยพูดไว้อย่างนี้คุณเตือนใจมีของอยู่5อย่างที่เราไม่ควรประมาท <Okay. S 1> หมายความว่า อย่างอย่างความโกรธเนี่ยนะถ้าเราจะมาดับตอนที่คนเขามาด่ากันว่ากันอย่างนี้มันดับยากในเวลาคนขึ้นเบทีด่ากันแล้วอย่างเงี้ยเอกของคว้างปากันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมไฟเนี่ยปากนี่พ่นไฟกันออกมาแล้วเนี่ยจะบอกให้เขาหยุดทําความเข้าใจกันเถอะให้สามัคคีกันโอ้ยทําไม่ได้หรอกเพราะไฟมันวุ่นวุนแบบไม่โหมขนาดนี้มันเราไปพูดดีๆเขาไม่รู้เรื่องต้องรอตอนที่เขาสงบสงบก่อนถูกไหมซึ่งไฟเนี่ย พุทเจ้าเคยบอกว่าเป็น1ใน5อย่างที่ไม่ควรประมาทนะไฟกองเล็กๆของ5อย่างเนี่ยซึ่งตอนเล็กๆ เ, เนี่ยมันยังเล็กอยู่เนี่ยเราไม่ควรประมาทต้องรีบดับมันซะนะอย่างแรกก็คือไฟนะไฟเนี่ยถ้ามันได้เชื้อเมื่อไร่เนี่ยโอ้โหเราจะพลาดเลยเราจะดับมันยากเพราะฉะนั้นการดับความโกรธก็เหมือนกันควรจะดับตั้งแต่ตอนที่มันยังเล็กๆอยู่นะตั้งแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในจิตเราโน่นตั้งแต่ตอนนี้มันยังเป็นความไม่พอใจนุ่นนะอย่าให้จิตของเรามีความพอใจหรือไม่พอใจ ถ้าเราตั้งไว้แล้วเนี่ยถ้าเรายังดับมันไม่ได้มันจะไหลกินเชื้อต่อขึ้นมากลายเป็นความโกรธนะความเดือดขึ้นมาแล้วก็วจะเริ่มดับยากละณลักษณะนี้ <Okay. S 1> แล้วก็พอนี่คือวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองที่ท่านผู้ฟังสามารถเลือกได้ก็คือว่าให้จิตของเรามีเมตตาจิตของเรามีเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าอ้าเหมือนกับแม่น้ําเนี่ยนะแม่น้ําคงคาแม่น้ำเจะพระยาแม่น้ำโขงเนี่ยคุณจะเอาคบเพลิงย่ามาจุด ให้แม่น้ำโขงเหรือแม่น้ำเจ้าพรยาเนี่ยลุกเดือดพล่านนะเป็นฟองพุดพุดขึ้นมาเนี่ยมันทําไม่ได้นะคุณเตือนใจเ <Okay. S 1> พราะว่าความที่น้ํามันมากจริงๆนะนเหมือนหรือเปรียบเหมือนกับแผ่นดืพื้นเป็นดินเนี้ยถ้าคุณบอกว่าเอาเราจะเอาจอบกับบุ้งกีมาขุดนะให้พื้นแป่นดินนี้ไม่เป็นแผ่นดินให้มันโบลลงไป <Okay. S 1> ต่อให้ เ, าเอารถแมกโรมาทําก็ทําไม่ได้นะเปรียบเหมือนกันกับความที่จิตของเราเนี่ยถ้ามีเมตตาอยู่เนี่ยนะ ใครก็จะเอาไฟมาใสา่เอาคำด่ามาให้เราจะไม่โกรธเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราเจริญเมตตาจิตมากๆบ่อยๆนะโทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นโทสะที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็จะละไปได้แล้วก็ถ้าเราสิ่งที่ต้องระวังนะนี่คือ2อย่างวิธีแก้ใช่แล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่พอใจอ่ะมองไปทางนี้ก็ไม่พอใจมองไปงนั้นก็ไม่พอใจ คุณจะเป็นคนโกรธง่ายคุณจะเป็นคนขี้โกรธอย่างเช่นว่าในในสํานัก ง, งานเราเอาง่ายๆหรือที่บ้านก็ได้นะคุณเดินใจคือบ้านก็คงจะเหมือนเหมือนกันทุกคนนะเนาะมีคนอื่นอยู่ด้วยหรืออาจจะมีอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าเรามองไปทางทิศทางใดทางหนึ่งของบ้านน ะ, ะเราก็จะเห็นสิ่งที่เราทั้งพอใจและไม่พอใจถ้าเราจะไปมาพิจารณาแต่สิ่งที่เราไม่พอใจนะเราจะทําให้เป็นคนถ้าจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนโกรธง่ายยังมองไไปที่สํานัก ง, งานอย่างเงี้ย เห็นไอ้นี่เอ๊ะทำไมมันตั้งอยู่นี่ฉันไม่พอใจเห็นไอ้นั่นอันนี้ก็ไม่พอใจเห็นไอ้โน้ตก็ไม่พอใจคนนี้เดินเข้ามาทําไมยิ้มอย่างนี้ไม่พอใจแล้วมันก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่โกรธง่ายสิ่งพอใจมีอยู่ต้องเยอะแยะทําไมไม่มองเห็นไหมถ้าเราไปพิจารณามองสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนที่สบายจิตของเราจะไม่น้อมไปในการโกรธง่ายอย่างนี้นะอ่านี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องระวัง ด้วยสองวิธีแก้ไขนะคืออันดับแรกคือให้มีสติให้อดทนอย่างที่สองอวิธีที่สองคือให้มีเมตตาแล้วสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยส่วนที่สามนี่ก็คือว่าอย่าไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นแต่ความขัดเคืองอย่าไปมองตรงนั้นให้ไปมองสิ่งที่ดีดีมองแง่ดีบ้างกันเถอ ะ, ะ อ, อย่างที่นักวิชาการเขาบอกว่าเราต้องพยายามที่จ ะ, ะเรียกว่ามีความคิดในแง่บวกนะเจ้าคะ ใช่จริงใช่ไหมจ้าทีนี้อย่างอย่างความคิดในแง่บวกเนี่ยยังกินความแคบนะยังกินความแคบในเรื่องของมองโลกในแง่ดีอย่างเดียวซึ่งในมองโลกในแง่ดีเนี่ยคือมองที่อื่นไงแต่คำสองพระเจ้าเนี่ยคำว่ามองสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ใช่ความขัดเกลื่อนเนี่ยคือมองในจิตของเรา<ม>นี่ยคือมองของอย่างเดียวกัน <c oughs> มองที่สํานักงานอย่างเดียวกันมองที่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยให้มองในจิตของเราด้วยว่าจิตของเราอย่าให้มีความขัดเกลื่อน เห็นอะไรให้เป็นสบายใจสบายใจคือดูที่จิตของเราเป็นหลักว่างกันอืมเรียกว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยลึกซึ้งมากกว่าวิชาการที่ทางฝ่ายตะวันตกเขาบอกนะเจ้าคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นคิดในแง่บวกหรือมองในแง่บวกเท่านั้นแต่ว่ามองลึกลงไปในจิตใจของเราแล้วก็ทําให้จิตใจของเราคือเย็นมาจากข้างในใช่ไหมใช่ใชก็คือจะเป็นคนคนละทางอ่ะห ม, มายความว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคำธรรมะที่เครื่องทวนกระแส อย่างคําสอนที่เป็นไปในโลกส่วนมากก็จะเป็นไปตามกระแสใช่ไหมแต่พุทเจ้าเนี่ยคือตามกระแสของโลกตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงตามเข้าไปแต่ว่าคำสมนพุทธเจ้าเนี่ยทวนกระแสเข้ามาในจิตของเราเพรนถ้าเราปฏิบัติในแนวทางนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่ไหลไปตามสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรมากมายเราก็จะสบายใจอยู่ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าเหมือนผู้เขาหินตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะไปตามอารมณ์โกรธเครื่องไปตามความกําหนัดผู้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ย เรียกว่าจิตของเธอได้รับการอบรมแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ได้เจ้าค่ะก็เรียกว่าพอเราฝึกจิตได้ให้เหมือนดัง่งภูผาหรือภูเขานี่ยเจ้าค่ะอะไรมากระทบเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกับเราเลยนะเจ้าค่ะใช่สบายใจมากๆเลยล่ะเจ้าค่ะทีนี้เวลาในรายการหรืออยู่หนึ่งนาทีเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนได้ฝากท้ายเป็นแง่คิดสําหรับการสนทนาในรายการเช้าวันนี้เจ้าค่ะกลับมิมนเจ้าค่ะก็คือว่าในการที่เรา มีผัสสะในะการกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยเราจะทําจิตของเราให้เหมือนดัง่งภูผาหินได้เนี่ยเราก็เมื่อกระทบแล้วเราก็ให้เป็นผู้ที่ปล่อยวางนะทําจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวก็จะสามารถเป็นผู้ที่พลดจากความทุกข์ไดขข้แล้วแถมท้ายด้วยการแผ่มเมตตาให้เขาด้วยใช่ไหมชขขใช่ใช่แถมให้เลยเพราะอาจจะดีขึ้นใช่ไมเจ้าอาจจะดีขึ้นใช่ไหมเจ้าถูกต้องถูกต้อง ท่านผฟังคะเราได้สนทนาธรรมหรือว่าสากัาชากับท่านพระอาจารย์ภพยบุญอุพิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดธิตุพั โ, โซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนซึ่งคิดว่าท่านที่รับฟังในวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้กันอย่างดีทีเดียวนะคะ สำหรับในเช้าวันนี้เราก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ภับุญอภิปุนโนเหมือนเช่นเคยคะ่ะเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ภับุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่พระอาจารย์าาพรสาธุเจ้าค่ะ